ยาซีเรียกเรื่องพรานเนื้อกับบุตรเศรษฐีทั้งสี่ในแครนพรานศีมีลูกเศรษฐีสี่คนเป็นเพื่อนกัน ชวนกันไปเที่ยวนอกเมืองขณะนั่งพักอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งก็มีเกวียนของพราน ล, ล่าเนื้อบรรทุกเนื้อเพื่อนำไปขายในเมืองผ่านมาลูกเศรษฐีทั้งสี่คนนั้นอยากที่จะได้เนื้อนั้นต่างคนก็เข้าไปใกล้เกวียนลูกเศรษฐีคนที่หนึ่งพูดด้วยความมักใหญ่และถืออำนาจว่าเฮ้ยไอพรานถอย กูขอเนื้อสักก้อนเถอะพรานเมื่อได้ฟังคําพูดขอเนื้อแล้วเกิดอารมณ์ขุนมัวพูดต่อไปว่าเราให้เนื้อท่านแต่เป็นเนื้อหยาบและเหนียวเพื่อให้สมกับคําพูดขอของท่านว่าแล้วก็ตัดส่งไปให้ลูกเศรษฐีคนที่สองร้องขอบ้างว่าท่านผี่พรานเราอยากได้เนื้อกินสักก้อน ขอเนื้อสักชิ้นเถอะนายพ ร, รานได้ฟังก็พอใจในคาพูดและพูดตอบทันทีว่าท่านผู้เจริญท่านได้กล่าวคาเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเหมือนสายสัมพันธ์เดียวกันเราให้เนื้อล้นล้วนแก่ท่านก่อนหนึ่งเป็นเนื้อที่ดีว่าแล้วก็ตัดส่งให้ลูกเศรษฐีคนที่สาม พูดอ่อนน้อมถ่อมตนว่าท่านพ่อพรานลูกอยากได้เนื้อกินสักก้อนขอชันสักก้อนเถอะพรานได้ยินคำพูดพอใจมากเกิดความเอ็นดูเสมือนพ่อที่มีความเมตตาสงสารลูกหัวใจของท่านพรานพองโตและพูดขึ้นว่าท่านเรียกเราพอ่อสราความชุ่มชื่นแก่ใจ เ, เรามาก เราจะให้หัวใจของเนื้อสมกับคำพูดของท่านว่าแล้วก็ตัดหัวใจเนื้อให้ไปลูกเศรษฐีคนที่สี่รอมานานแล้วก็พูดขึ้นมาบ้างว่าท่านพรานเพื่อนยากเพื่อนอยากได้เนื้อสักชิ้นขอเพื่อนเถอะพรานได้ฟังแล้วคิดในใจว่าตามปกติพรานป่าอย่างเรา ไม่มีคนคบหาเราขาดเพื่อนมานานแล้วเมื่อมีคนมาบอกว่าตนเป็นเพื่อนก็รู้สึกดีใจถ้าคนทั้งมวลเป็นเพื่อนกันทั้งหมดก็จะไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันจึงได้เชิญให้บุษเศรษฐีคนนี้ขึ้นไปนั่งบนเกวียนแล้วพูดว่าสหายเราพอใจในคำพูดของท่าน ถ้าหากเราเป็นเพื่อนกันเราก็ยินดีมอบเนื้อทั้งหมดเกวียนนี้ให้กับท่านดังนั้นลูกเศรษฐีคนนี้จึงขับเกวียนพร้อมด้วยพรานกลับบ้านไปแนะนำให้รู้จักกับพ่อแม่พ่อแม่ซึ่งเป็นเศรษฐีต้อนรับด้วยไมตรีจิตและให้การสงเคราะห์พรานผู้นั้นต่อมาพรานผู้นี้ ก็สามารถจเจริญมั่งคั่งไปด้วยเรื่องนี้สอนว่าการพูดจาดีเป็นสีแก่ปาก